ความไม่รู้เป็นเหตุให้สถาบันต่างๆถูกทำลายทีนี้เราลองพิจารณากันต่อไปว่าไอออตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านนั้นมันรอดตายไปเป็นกบได้สักกี่ตัวส่วนมากหรือแทบทั้งหมดมันได้ตายไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะไม่ถึงหเปอร์เซจึงพูดว่าไอออนี้ส่วนมากตายไปเสียตั้งแต่ยังอยู่ในน้ำ นี้เพราะเหตุใดอาจจะกล่าวได้ว่าเพราะมันไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ว่าบอกมีอยู่นั่นเองมันทำอะไรไปตามประสาชอบใจมันหมดไม่เชื่อฟังในคำแนะนำที่สอนให้รู้จักป้องกันตัวเองช่วยตัวเองอย่าให้เป็นอันตรายอย่าให้ตายเสียตั้งแต่อยู่ในน้ำฉะนั้นไอออสส่วนมากจึงตายเียตั้งแต่อยู่ในน้าเพราะความดื้อองมัน นี่ลองคิดดูว่าไอออสมันไม่เชื่อพ่อแม่ของมันมันก็เท่ากับไม่นับถือว่าเป็นแม่มันจึงไม่เชื่อคำพูดของแม่มันว่าบอกมีนี่มันก็เท่ากับมันทำลายสถาบันของความเป็นแม่หรือเป็นพ่อหรือเพื่อนมันเข้าโรงเรียนมันก็ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ของมันมันก็เท่ากับทำลายสถาบันที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ ที่เรียกว่าทำลายสถาบันครูบาอาจารย์นี้อยากจะให้สนใจกันให้มากเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงการที่เรายอมรับว่าบุคคลที่เรียกว่าครูครูนั้นมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าเรายอมรับว่าครูเป็นสถาบันอันหนึ่งอยู่ในโลกจนเรายอมเคารพครูว่าครูนี้ไม่ได้เสมอ ก, กันกับเราครูนี้ตั้งอยู่ในฐานนะเป็นปูชนียบุคคลของเรา เราจึงเคารพอย่างครูอย่างที่เรียกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของครูบุญคุณของครูมีอย่างยิ่งจนเราตอบแทนไม่ไหวจนมีอยู่เห น, เนือเกล้าเหนือเศียรของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าครูครูจึงแปลว่าหนักหนักเพราะท่านมีบุญคุณที่เหนือเกล้าเหนือเศียรของเราใส่ไว้เหนือเกล้าเหนือเศียรของเราจริงๆอย่างนี้เรียกว่าเรามีครู เรายอมรับว่ามีครูในฐานะที่ครูนั้นคือบุคคลผู้นาวิญญาณของเราให้เดินไปถูกทางหรือว่ายกวิญญาณของเราให้สูงขึ้นจากน้ำคือความทุกข์ถ้าวิญญาณของเราไม่ได้รับการชักจูงแนะนำที่ดีแล้วมันเดินไปในทางต่ำเราไม่สามารถจะยกวิญญาณของเราได้ตามลำพังของตัวเราเอง เพราะเรายังเหมือนกับไอออสที่ยังว่ายอยู่ในน้ำยังไม่รู้จักเรื่องบกซึ่งยังจะต้องเชื่อแม่ไปก่อนว่าบกมีอย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้มีเด็กบางพวกเกิดเข้าใจไปเองว่าครูเนี่ยรับจ้างสอนหนังสือได้เงินเดือนซึ่งก็เป็นลูกจ้างตามธรรมดาเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินเดือนครูก็ไม่สอนอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทาในใจหรือจัดไว้ในใจว่าครูนี้เป็นลูกจ้าง เสมอเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่ทำงานรับจ้างนี่เรียกว่าสถาบันของครูถูกทำลายล้มหายไปไม่มีความหมายของคำว่าครูมีแต่คนคนเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกจ้างแก่กันและกันนี้ขอให้สนใจสักหน่อยว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเกิดมีความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ซึ่งไม่เคยมีมาตรก่อนเลย แต่ก่อนนี้เราถือครูเป็นปูชนียบุคคลเพราะว่าหัวใจของครูที่แท้จริงถ้าผ่าออกดูได้แล้วจะเห็นว่ามีของสองอย่างนอนเคียงกันอยู่คือปัญญากับเมตตาซึ่งก็คือครูมีปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็มีเมตตาคือรักสิทธิ์เหมือนกับลูกกับหลานปัญญากับเมตตาบวกกันแล้วมันก็ทํางาน ทำหน้าที่ของครูได้คือรักและสั่งสอนอบรมจนกระทั่งยกวิญญาณของสิทธิ์นั้นให้สูงขึ้นมาได้หรือนาวิญญาณของสิทธิ์ให้เดินไปถูกทางได้เมื่อพูดถึงค่าบูชาครูหรือเงินเดือนที่ครูได้รับนั้นมันเลยกลายเป็นขี้ฝุ่นไปโปรดจำไว้ว่าเป็นขี้ฝุ่นไปนี้เพราะว่าความเป็นมนุษย์ที่ดีได้ถึงระดับของความเป็นมนุษย์นั้น มันตีราคาไม่ไหวมันเป็นอันัาคะคือว่าเหลือที่จะตีราคาได้ไหวกี่ล้านกี่ร้อยล้านก็ไม่ทราบครูนี้ได้รับเงินเดือนกี่บาทกี่สตางค์กี่ร้อยกี่พันแล้วถ้าครูคนหนึ่งในโลกนี้ยกวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นได้โดยทำนองนี้ซึ่งสมมุติว่าร้อยคนเท่านั้นมันก็คิดไม่ไหวแล้วทีได้รับเงินเดือนกี่บาทกี่สตางค์นั้น มันไม่ใช่แค่ค่าจ้างมันเป็นเพียงค่าช่วยหลอเลี้ยงชีวิตของครูไว้อย่าเพิ่งให้ตายเสียพอให้ทำหน้าที่ยกวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นตามสมควรก่อนหรือว่าช่วยประหยัดเวลาของครูว่าอย่าต้องไปทำไร่ไถนาเองจะได้เอาเวลานั้นมาทำหน้าที่ยกวิญญาณของคนทั้งหลายในโลกนี้ให้สูงขึ้นพิจารณาให้ดีครูจึงไม่ใช่ลูกจ้าง เพราะในหัวใจมีแต่ปัญญากับเมตตานอนคู่เคียงกันอยู่สําหรับทําหน้าที่ยกวิญญาณของสัตว์ให้สูงขึ้นอย่างนี้ในหัวใจของลูกจ้างถ้าผ่าออกดูไม่มีของสองอย่างนี้มันมีแต่ความเต็มอัดอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวตัวกูของกูกูจะเอาให้มากที่สุดจะเอาเปรียบในจ้างให้มากที่สุดทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆลักษณะของลูกจ้างมันเป็นอย่างนั้น ลักษณะของกรรมกรที่เลวเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นลูกจ้างได้อย่างไรสำหรับครูเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับว่าสถาบันของครูนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถาบันปูชนียะเราจะต้องรักเคารพและกระตันยูให้เหมือนกับที่เขาได้เคยทำกันมาแล้วแต่การก่อนและคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นคือปู่ย่าตายายของเราเอง ปู่ย่าตายายของเราเคยเคารพนับถือสถาบันนี้อย่างไรเราจะต้องเคารพ บ, บูชาสถาบันนี้อย่างนั้นอย่าเพิ่งอาจเอื่อมยกเลิกทำลายสถาบันของครูให้ต่ำลงไปเสียให้เหลือเพียงแต่เป็นคนคนด้วยการคนหนึ่งหรือเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเป็นนายจ้างคนหนึ่งอย่างนี้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูต่อไปไหม เราวาลูกสิทธ์ทำลายสถาบันของครูไปหมดแล้วเหลือแต่ต่างคนต่างก็เป็นคนสงวนประโยชน์ตนกันอย่างจริงจังจ้างครูให้ออกประกาศนิยบัตรปลอมครูก็รับค่าจ้างเหล่านี้อย่างนี้ก็แปลว่าสถาบันของครูถูกลบล้างไปหมดแล้วทีนี้มันจะลบล้างอะไรต่อไปอีกมันก็จะต้องลบล้างสถาบันของโรงเรียนหรือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ร้อมกันไปในตัวลงไปทันทีคนที่ลบล้างสถาบันของครูลงไปแล้วจะไม่ยอมรับสถาบันของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยของอะไรอีกเหล่านี้เพราะเขาเห็นแก่ตัวอย่างเดียวไม่มีความรักและไม่เห็นแก่ส่วนรวมเช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรืออะไรของตัวทำนองนี้เพราะเห็นแกตัวมีแต่ตัวเท่านั้นมีแต่ตัวที่จะเอาประโยชน์เป็นตัวเท่านั้น ไม่มีอะไรมากกว่านั้นความรักโรงเรียนรักหมู่คณะของโรงเรียนรักมหาวิทยาลัยของตัวนี้ไม่มีเหลือเลยมีแต่อย่างเท็ดเท็จเทียมเทียมปลอมปลอมเหอเหอต่อเมื่อได้อะไรสนุกสนานตามต้องการของตัวเท่านั้นจึงจะยอมรับมาว่าเพื่อโรงเรียนเพื่อหมู่คณะโดยแท้จริงนั้นถ้าทำลายสถาบันครูเสียแล้วสถาบันโรงเรียนก็หมดไป เมื่อทำลายสถาบันโรงเรียนหมดไปแล้วไม่ต้องสงสัยยอมต้องทำลายสถาบันของประเทศชาติความรู้สึกรักประเทศชาติด้วยแท้จริงจะไม่มีเหลือจะเหลือแต่ตัวเราที่เป็นคนคนหนึ่งพร้อมที่จะเอาเปรียบคนอื่นอยู่เสมอให้มากที่สุดอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำลายสถาบันของประเทศชาติอย่างเดียวแต่ได้ทำลายสถาบันของคำว่ามนุษย์ลงไปยังหมดจดอย่างสิ้นเชิงด้วย เลยไม่มีความเป็นมนุษย์เลยคือไม่มีใครสูงชนิดที่สูงหน้าเรื่มใสเลยมีแต่ใจต่ำที่เหมือนกับสัตว์ทั่วไปหมดดังนี้อย่างนี้เรียกว่าทําลายสถาบันมนุษย์ทําลายสถาบันโลกมนุษย์ลงไปสิ้นเชิงแล้วมันจะมีอะไรเหลือนอกจากความวุ่นวายความเห็นแก่ตัวแล้วก็กระโดดเข้าใส่กันหรือกัดกันด้วยกิเลสตัณหา ตามแบบของผู้ที่ไม่มีธรรมะนั้นพิจารณาให้จงดีอย่าได้กล้าหาญที่จะทำลายสถาบันที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นี้เป็นอันขาดเพราะไอออสทำลายสถาบันของครูบาอาจารย์ลงไปนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นทุกหัวระแหงในโลกนี้อาตมาใช้คำว่าในโลกนี้ขอให้จาไว้ด้วย ไม่ใช่แต่ที่นี่หรือที่ไหน